ถ้าเคยฟังหลวงพ่อพูดนะแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยการปฏิบัติจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วการปฏิบัติมันยากเพราะเราไม่รู้วิธีเท่านเองคือศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่ฟังเล่นๆพูดเล่ น, เลนๆเพลอเพไม่ใช่นิทานหลอกเด็กนะสร้างโลกในอุดมคติเรื่องนิพพานขึ้นมาแล้วก็หลอก ให้คนทำความดีไม่ตื้นอย่างนั้นหรอกในเป็นศาสตร์จริงๆเป็นศาสตร์ที่บอกเราว่าจุดหมายปลายทางที่เรามุ่งไปสู่นั้นคืออะไรบอกกระทั่งวิธีการถ้าลำพังบอกว่าเราต้องพ้นทุกข์สิ้นเชิงบรรลุพระนิพพานแล้วจบแค่นี้ศา ส, สนาพึกก็กระจอกมากเลยไม่มีวิธี นักปลาตื่นอื่นเขาก็เคยคิดว่าทำไงจะพ้นจากทุกข์ต้องสิ้นตัณหาพวกนี้คนคิดได้สิ้นตัณหาถึงความหลุดพ้นคือเขาก็มีสภาวะอุดมคติเหมือนกันวิธีการที่เขาเสนอวิธีทรมานตัวเองพระพุทธเจ้าท่านก็เสนอมรรควิธีของท่าน ใครพอใจที่จะเดินในเส้นทางไหนก็เดินเอานะแล้วก็ได้รับผลต้องการไปนิพพานจริงๆพ้นทุกข์จริงๆไม่เชื่อพูุทธเจ้า ไ, ไปลองวิธีอื่นก็ช่วยไม่ไดนะ้พระพุทธเจ้าท่านลองมาแล้วแล้วสังเกตดูคนที่ลองวิธีต่างๆนะไม่เห็นจะลดละ ก, กิเลสได้จริงเลย อย่างมากก็ข่มกิเลสให้สงบชั่วยคราวเท่านั้นวิธีของพระเจ้าเป็นวิธีที่อัศจรรย์ที่สุดเลยจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์ความดับสนิทแห่งทุกข์มีสองขั้นตอนขั้นแรกพ้นทุกข์ขั้นสูงสุดเลยดับสนิทแห่งทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ท่านก็อธิบายไว้ชัดเจนสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือตัวขัน ตัวรูปนามรูปประธรรมนามธรรม ท, ที่ประกอบกันเป็นตัวเรานี่เองเป็นส่วนๆพวกเรารู้จักขันห้าไหมใครไม่รู้จักยกมือซิมีพวกที่เข้าคอร์สคนไหนไม่เคยรู้จักคำว่าขันห้ามีไหมไม่ต้องอายนะเรียนแล้วไม่ต้องอายถ้ารู้จักก็ดีมากไม่รู้จักก็เรียนเอาสิ่งที่เรียกว่าตัวทุก็คือตัวขันนี่เอง ท่านสรุปบอกว่าท่านบอกว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาสังขิตคนไทยใช้ว่าสังขีบโดยสรุปรวบยอดอุปาทานขันทั้งห้านี้แหละคือตัวทุกคําว่าอุปาทานขันนะบางคนเคยไปแปลว่าขันที่ถูกยึดมั่นเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่ไม่ยึดมั่นนะขันนั้นไม่ใช่อุปาทานขันนั้นไม่ทุกอันนี้แปลผิดนะ แต่ด้วยภาษาเนื้อเองคําว่าอุปาทานขันนะั้นเป็นการจําแนกชนิดของขันขันมีสองกลุ่มกลุ่มที่เป็นอุปาทานขันกับไม่ใช่อุปาทานขันขันที่ยึดได้กับที่ยึดไม่ได้ขันที่เอามาเป็นตัวยึดถือนะไม่ไดนะ้อย่างพวกจิตจิตที่บรรลุอริยมรรยพุทธอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้ยึดถืออะไร ขันจำนวนมากเป็นขันที่ยึดได้อุปาทานขันคือขันซึ่งโดนถูกยึดได้อย่างร่างกายเราเนี่ยเป็นอุปาทานขันเป็นตัวยึดได้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์กที่เกิดในกายเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดที่ใจอันนี้ยึดได้ความจำได้ความหมายรู้ จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวที่คิดนึกทางใจได้หมายรู้อารมณ์ได้นะจะหมายโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เป็นความหมายหมายว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตานี่ก็เป็นการหมายหมายถูกหมายผิดนะอันนี้ยังยึดได้อีกยังเอาไว้ยึดได้อีกสังขารคือความปรุงทั้งหลายของจิต ปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงกลางกลางบ้างอันนี้ก็เอาไปยึดได้วิญญาณคือความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนใหญ่เอาไปยึดได้แต่โล ก, กุตรจิตเนี้ยเอาไปยึดไม่ได้เพราะถ้าอย่ายึนอยู่ไม่ใช่หรอกนะั่นที่เรียกว่าขันห้าอุปาทานขันเรียกย่อๆว่าขันห้าก็คือขันที่พวกเรายึดถืออยู่นี่เอง ตัวนี้แหละคือตัวทุกข์มันลึกซึ้งนะธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านฟันธงเลยว่าโดยสรุปขันอุปาทานขันทั้งห้านี้แหละคือตัวทุกข์ท่านไม่ได้บอกตื้นตื้นแค่ว่าแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์พลัดพลากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์อันนั้นเป็นอาการปรากฏของทุกข์เท่านั้นเอง อย่างร่างกายเนี่ยเป็นตัวทุกตัวรูปประธรรมนี่เป็นตัวทุกมันแสดงความทุกออกมาด้วยการแก่ให้ดูได้ด้วยการเจ็บให้ดูได้ด้วยการตายให้ดูได้นั่นเป็นอาการปรากฏของมันวมกว่าเราจะทะลุเข้าไปเห็นว่าตัวรูปนี้เป็นตัวทุกนี่ไม่ใช่ง่ายนะทะลุเห็นตรงนั้นต้องได้นาคาเลยนั่นตอนนี้ยังไม่เห็นแต่ว่าเรียนไว้ก่อนทาไมสอนไกลเหลือเกินหลวงพ่อสอนแบบสมัยใหม่ ชี้ปลายทางให้ดูจะถึงตรงนี้ต้องผ่านตรงนี้ก่อนในเนี้ยนะให้ภาพรวมทั้งกระดานเลยดูแผนที่เรียนแผนที่ก่อนคนรุ่นเราเนี้ยศรัทธาต่ำงมงายสูงนะศรัทธาต่ำ <c oughs> ให้พานาไม่เอาหรอกนะถ้าให้ไปลดน้ำมนให้ไปมุดไตถุนบวอะไรนี้เอาง่ายดีนะว่ายหมาวหาแมวนะ แมออกลูกมาสองหัวก็ไหว้แล้วจริงจกสองหางก็ดีอะนะสัตว์พิการทั้งนั้นเลยลก็นับถือง ม, มงาย <c oughs> สัตยามไม่ค่อยมี่ <c oughs> พวกเราบอกให้ไปทำสมาธิเดินจงกรมให้เลยนะสัตธาเราตกเร็ว <c oughs> เดี๋ยวก็เบื่อแล้ว <c oughs> ไม่เอาละพุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าดีแต่ตอนนี้ยังไม่ว่างเอาไว้ก่อนสัตยาไม่พออย่างเงี้ยนะ <c oughs> ใช้ไม่ได้ กจะสอนแบบครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนหลวงพ่อไปเรียนเนี่ยท่านบอกก้าวเดียวเท่านั้ท่านพอลีเห็นว่าสมถะหลวงพ่อยังไม่มีท่านก็สอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโธไม่ให้เห็นภาพรวมอะไรเลยคนยุคนี้ถ้าไม่เห็นภาพรวมนะไม่ทําหรอกทําก็เดี๋ยวเดี๋ยก็เลิกละมันไม่มีกําลังใจสมัยพุทธกาลมีการสอนภาพรวมไหมมี เคยได้ยินรัฐวินีตศูนย์ไหรถเจ็ดลัดเนี่ยภาพรวมนะสติปัฏฐานก็เป็นภาพรวมของการปฏิบัตินะในนั้นมีทั้งการเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดสติเพื่อให้เกิดปัญญานะเป็นให้เป็นสมาธิก็มีเป็นสมาธก็มีเป็นวิปัสสนาก็มนะีรวมมากมายนะสอนภาพรวมก็มีเหมือนกัน คนรุ่นก่อนนะอย่างหลวงพ่อนะครูบาจารย์ให้หายใจเข้าพูดออกโทก็ททำเลยรุ่นเรานี่เหรอบอกไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะหายใจแล้วจะได้อะไรคะนะถามต่อเลยทันทีนะบางคนนะบอกว่าไปดูจิตไปมันบอกหลวงพ่อนะเดี๋ยวผมต้องไปทำสมถาก่อนนะทำสมถาได้แล้วผมจะมาเรียนดูจิต เนี่ยพูดกับหลวงพ่อแต่แต่หลวงพ่อบวชใหม่ๆอยู่เืองการนะปะ่านนี้มันยังไม่มาเลยพร่อทมทําสมถะไม่ได้ไม่ได้ดูตัวเองเลยนะเนี่ยใจของคนยุคนี้ไม่มีศรัทธาครูบาอาจารย์บอกให้ทําอะไรไม่ทําหรอกหลวงพ่อนะหลวงปูดูลบอกให้ดูจิตดูทุกวันไม่เลิกเลยนะไม่เคยสั่งซ้ําเลยว่าต้องดูนะไปเจอหน้าเนี่เรารายงานได้เลยว่าเราไปดูมาแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะไม่เคยต้องไปดูนะได้โปรดไปดูเธอเจ้าประคูนดูเธอนะ ถ้าดูมากๆเดี๋ยวหลวงปู่จะแจกพระเครื่องอะไรไม่มีเลยถ้าไม่พอนาไม่พูดด้วยเลยนะศรัทธามันไม่พอศรัทธาไม่พอเนี่ยก็ต้องเรียนแบบสมัยใหม่หน่อยให้ครูบาอาจารย์บอกทีละช็อตทีละช็อตเนี่ยไม่ทำหรอกหลวงพ่อก็เลยให้ภาพรวมของการปฏิบัติไปอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราจะมุ่งไปทางไหนไม่ออกนอกรูนอกทาง เราต้องมาเรียนรู้ขันห่านะท่านบอกว่าทุกขให้รู้สิ่งที่เรียกว่าทุกคือขันห่าหน้าที่ต่อทุกคือการรู้อย่างที่มันเป็นเนี่ยเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรทําเพื่ออะไรทําอย่างไรต้องเรียนให้หมดเราจะทําอะไรเราจะทําสมถะวิปัสนาทําเพื่ออะไรสมรถะทำเพื่อให้จิตมีเรี่ยวมีแรงมีกําลังที่จะเดินปัญญาเดินวิปัสนาวิปัสนาทำเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงของรูปนาม ถ้าเห็นความจริงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพรหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติคือความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติทำทำเสร็จแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์ไม่มีอีกแล้ว ห, หมดจดตอนตรงนั้นงั้นเวลาสอนนะหลวงพ่อจะสอนภาพรวมของการปฏิบัติพวกเราก็จะทาตัวเองไปได้ อาศัยโยนิโสมนัสิการสังเกตเอาภาพรวมนี้หมูพ่อไม่ได้คิดเองคิดเองไม่ได้เป็นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเอามาสืบทอดให้ถามว่าครูบาอาจารย์สอนไหมเมื่อก่อนสอนเหมือนกันนะแต่สอนเป็นคนคนท่านไม่มาออกไมาคุโฟนสอนเท่านั้นเองอย่างหลวงพ่อสอนเนี่ยบางคนบอกว่าทาอะไรสอนถามตอบใช้ได้ที่ไหนพระไตรปิโดกมีถามตอบเต็มไปหมดเลยนะไม่เคยศึกษาเลยนะ บางทีก็ว่ายากไปคารวาสเรียนแค่นี้พอเอ้าคารวาสไม่เคยเรียนของดีเ ม, มื่อไหร่มันจะได้ดีอ่ะคารวาสมันโง่โซ่ที่ไหนล่ะไม่มีโอกาสต่างหากหล่ะให้โอกาสเท่าบ้างนี่พอหลวงพ่อเทศมาเรื่อยๆพวกเราตื่นขึ้นมานับจํานวนไม่ท้วนนะเมื่อ5ปีก่อนนีคนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยนับไม่ถูกเลยมาถึงวันนี้คนที่แยกขันได้แล้วเห็นแสดงใจรักได้ขันแสดงได้นับไม่ท้วนเหมือนกัน สภาวะอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่เคยได้ยินธรรมะในภาพรวมที่พูดให้ฟังนี้นะเรารู้ว่าเราทำอะไรทำเพื่ออะไรทำอย่างไรทำแล้วมีผลอะไรสิ่งนี้ต้องชัดให้หมดเลยคาสอนของพระเจ้าชัดเจนในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเราจะทำอะไรทำเพื่ออะไรนะมีออบเจกตีฟนะมีปลายทางวัตถุประสงค์ต้องการอะไรนะจะไปสู่วัตถุประสงค์อันนี้มีเป้าหมายมีก o ุ l แต่ละขั้นแต่ละขั้นยังไง มีหมดเลยไม่ใช่กระจอกเลยคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นศาสตร์นะเป็นศาสตร์หนึ่งเลยนี่เราไปทําจนกระทั่งกลายเป็นอะไรที่ลึกลับเอง ท, ง, ทงทั้งๆที่เป็นศาสตร์อธิบายได้ทุกขั้นทุกตอนนคนยุคนี้ปัญญากล้าพร้อมๆกับปากปัญญากล้ามากนะท <c oughs> ต้องปากไววิจารแแบกรานเจออะไรวิจารณ์ไ่อก่อนถูกผิดไม่รู้นะนักวิจารณเยอะชอบออกความเห็น บางคนนะ่าไม่ออกความเห็นนะดูหน้าตานี่ชฉลาดฉลาดไม่น่าออกความเห็นเลยนะออกความเห็นแล้วเ้าเลยรู้เลยว่าฉลาดแค่ไหนโอ้ฉลาดกว่าที่คิดไว้เนะนี่ยคนเราดุ่นนี้นะเจ้าวความคิดเจ้าวความเห็นมากงั้นมันเดินด้วยปัญญานี่แหละเหมาะจะมนเดินด้วยสมาธิไปไม่รอดหรอก มานั่งสมาธิให้จิตรวมจิตสงบนะฝึกกันสิบปีครูบาอาจารย์ให้ฝึกก็ฝึกสิบปีก็ทำยี่สิบปีก็ทำทำไม่ได้เรามีทรัพยากรคือมีปัญญาเราก็ใช้ทรัพยากรตัวนี้แหละกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะไม่ใช่มีแต่สมาธินำปัญญานะปัญญานำสมาธิก็มีนะงั้นเราดูตัวเองเรามีปัญญาเราก็ใช้ปัญญานาแล้วสมาธิเกิดทีหลัง การใช้ปัญญานำเนี่ยกรรมฐานอะไรที่เหมาะกับพวกที่ใช้ปัญญานำไม่ได้ใช้สมาธินำเรียกว่าวิปัสนาญาณิกกรรมฐานที่เหมาะกับวิปัสนาญาณิกคือการดูจิตตัวเองดูจิตดูใจไปกรรมฐานที่เหมาะกับการทำสมาธิก่อนนะออกจากสมาธิมาเจริญปัญญาอันนั้นเรียกว่าสมถา ي าานณิก เดินด้วยสมถะใช้ยานคือสมถะนำก็คือการดูไกลนะงั้นถ้าเราไม่มียานคือสมถะเราก็อาศัยยานคือวิปัสสนาไปได้เหมือนกันไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองอันนี้พระพุทธเจ้าสอนเรียนกันไม่ทั่วถึงเราก็บอกว่าทำไม่ได้ทาไม่ได้ถ้าเรียนให้ทั่วถึงลงมือทำก็รู้ว่าทำได้ ครูบาอาจารย์จำนวนมากเลยนะที่สมัยหนุ่มๆเนี่ยสอนพูดโธพิยนากายพอแก่ๆพูดเรื่องจิตเท่านั้นเลยเต้นไปหมดเลยครูบาอาจารย์ระดับนั้นนะสูงๆขึ้นมานะพูดในเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องการเจริญปัญญาอะไรนี่วิธีเจริญปัญญาทํำยังไงนะเนี่ยเราจะทําอะไรเราก็ต้องเจริญปัญญาทําเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงของรูปนามเห็นแล้วได้อะไรเห็นแล้วจิตจะปล่อยวางวางแล้วก็พ้นทุกข์ไป ทำอย่างไรการที่เราจะเห็นความจริงของรูปนามได้ขั้นแรกสุดเราต้องมีรูปมีนามให้ดูคนในโลกนี้รูปนามมีอยู่แต่ทิ้งมันไปตลอดเวลาลืมมีกายลืมกายมีใจลืมใจงั้นงานแรกที่พวกเราต้องฝึกนะก็ฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกตัวหารู้สึกตัวอย่าให้ใจลอยนะรู้จักใจลอยไหมสัตย์ไทยนะภาษาเยอะนะ ศัพย์เยอะภาษาฝรั่งเนี่ยพูดลําบากเลยนะศัพย์มันน้อยเนาะภาษามันน้อยของไทยเนี่ยแต่ละคนะํานั้นมันมีดีกรีของความรู้สึกที่แตกต่างกันหลากหลายมากเลยเมื่อวานเจอเจอห น, หนึ่งอยู่นี่ถามหนึ่งหนึ่งคนจีนนะพูดไทยได้หนึ่งได้ข่าวว่ารถล้มเป็นยังไงบ้างหนึ่งบอกพิการเล็กน้อย บอกไม่ใช่ใช้คําว่าพิการไม่ได้บาดเจ็บเล็กน้อยนะบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ใช่พิการเล็กน้อยนี่ภาษาไทยมันเยอะเรียนยากนะเรียนยากศัพท์เนี่ยเยอะมากเลยฝรั่งมีไอกระยูใช่ไหมไอกระยูของไทยมีทั้งเยอะข่าพระพุทธเจ้าเห็นไหมกูสารพัดเลยนะ วิธีที่จะดูกายดูใจนะรู้สึกตัวก่อนอย่าให้ใจลอยใจหนีไปแล้วก็ดูกายดูใจไม่ได้เวลาใจลอยยุงกัดไม่รู้กัดไปจนคันเต็มที่แล้วเพิ่งรู้เห็นยุงบินมาตกอ้วนเชะเห็นแล้วแค้นมันกินเลือดเราไปซะตัวกลมเลยใครเคยแค้นไหมยุงกัดจนตัวกลมกลมบินไม่ไหวใครเคยแค้นยกมือสิเนี่ยหลวงพ่อยกด้วย โอ้อยากตีมันแบบแตะแตะเลยแก้แค้นมันแต่ไม่ตีนะที่ผ่านมานะพยายามรักษาศีลตั้งแต่เป็นโยมแต่แค้นมากเลยนะต้องไม่ลืมตัวเองเวลาใจลอยนะมีร่างกายก็ลืมจุ ng กัดยังไม่รู้เลยเวลาใจลอยอ่านหนังสืออยู่ใจลอยไปอยู่ที่หนังสือคนมาเรียกยังไม่ได้ยินเลย อย่าง น, นี้เรียกใจลอยเหมือนกันใจลอยไปอยู่กับหนังสืองั้นพยายามฝึกสิ่งแรกที่พวกเราต้องฝึกนะอันนี้ไม่นับการปรับเบสิกนะเบสิกที่พวกเราต้องมีคือศี่5้าแล้วเราก็มาฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองไม่ใจลอยถ้าใจลอยก็อย่าใจลอยนานมิธีฝึกทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่ถนัดถนัดพุดโทโธใช้พุโทโธแล้วรู้ทันจิต ถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจแล้วก็รู้ทันจิตถนัดเดินจงกรมก็เดินจงกรมแล้วรู้ทันจิตรู้ยังไงเช่นพุทโธพุทโธไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตไปติดในความว่างรู้ทันหายใจไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไปติดอยู่ที่ลมหายใจแล้วรู้ทันดูท้องฟองยุบจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไปอยู่ที่ท้องรู้ทันทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะทุกวันต้องทําแบบ่งเวลาไว้15นาทีก็ได้ หรือทำกรรมาฐานกวาดบ้านก็ได้กวาดบ้านถึงเวลาก็กวาดบ้านไปคุณพ่อบ้านทั้งหลายเช่วยแม่บ้านกวาดบ้างเป็นการทำกรรมาฐานกวาดบ้านไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูถ้าใจหนีไปคิดรู้ทันใจมาเพ่งอยู่ที่ร่างกายรู้ทันกวาดไปกวาดไปโมโหรู้ทันอีกคนอื่นทำโสกโปรกเราทำสาดคนเดียวชักโมโหอันนี้เข้าขั้นเดินปัญญาต่อเลยนะทกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งนะ แล้วจิตใจเป็นยังไงให้รู้ไว้จิตหนีไปเรารู้จิตหนีไปเรารู้จิตหนีได้สองลักษณะอันหนึงน่งหนีสเปสป่าไปหาอารม์เพลิดเพลินไปเช่นหนีไปคิดอีกอันนึงหนีไปเพ่งเช่นรู้ลมหายใจจิตปิดจ้องอยู่ที่ลมหายใจให้ใช้วิธีรู้ทันจิตหนีไปคิดให้รู้ทันจิตไปเพ่งให้รู้ทันไม่ต้องห้ามมันอย่าไปห้ามคิดนะคิดเท่าไหร่ก็ได้ หลวงปู่ดูลสอนว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่อาศัยคิดต้องอาศัยคิดปล่อยให้จิตคิดไปพอจิตคิดแล้วเรามีสติรู้ทันนะตรงที่รู้ทันว่าจิตไหลไปคิดนะตัวรู้จะเกิดขึ้นอัตโนมัติจิตจะอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วจิตที่มีตัวรู้ก็คือจิตใจที่อยู่กันเนื้อกับตัวแต่ตัวรู้มีสองลักษณะนะตัวรู้ที่เกิดตามธรรมชาติอ น, นี้ใช้ได้เลย แต่พอเราเคยใจไหลไปแล้วเรารู้ใจไหลแล้วเรารู้ได้ตัวรู้ขึ้นมาแล้วเราจำตัวรู้ได้เราจงใจสร้างตัวรู้ตัวนี้ตัวรู้ตัวนี้ปลอมใจจะแน่นๆตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วตัวรู้ที่ดีใจเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ตัวรู้ที่ดีนั้นเกิดจากการที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่เคลื่อนไปเป็นจิตที่ตรงข้ามกับตัวรู้มันเป็นจิตหลง หลงไปคิดบ้างหลงไปเพ่งบ้างไปเพ่งก็หลงนะอย่างเราไปรู้ลมหายใจจิตไปอยู่กับลมไม่เรียกหลงไปหลงอยู่ที่ลมนั้นจิตหลงกับจิตรู้เนี่ยตรงข้ามกันเมื่อไหร่จิตหลงแล้วเรารู้ว่าจิตหลงเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะขณะที่รู้นั้นมันจะไม่หลงไม่ต้องเจตนาที่จะให้รู้หรอกมันรู้อัตโนมัติเพราะมันไม่หลงงั้นเราฝึกนะจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันตัวนี้ให้มากที่สุดเลย แต่ว่าทําในรูปแบบนะวันหนึ่งไม่ต้องมากนักอนะ่ะแต่ว่าเช่นวันหนึ่ง15นาทีไหว้พระส่วนมนต์สอนาทีแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกนะจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมก็รู้ฝึกอย่างเนี้ยเวลาที่เหลือมาอยู่ในชีวิตประจําวันเนี้ยจิตไหลไปคิดก็ค่อยรู้เอานะมันเคยรู้อยู่ในตอนทําในรูปแบบแล้วเนี่ยพอมาอยู่ในชีวิตประจำวันมันจะรู้ง่ายถ้าไม่เคยฝึกซ้อมในรูปแบบนะมาอยู่ในชีวิตประจำวันันจะหลงยาว กานทุกวันทําในรูปแบบจะทําให้เบรกตัวเองไม่ให้หลงนานนะนี่เราฝึกทุกวันนะถ้าเราได้จิตตัวรู้ขึ้นมาได้จิตตัวรู้แล้วเนี่ยต่อไปเราก็ดูมีจิตเป็นคนดูแลก็มีสติรู้กายมีสติรู้ใจไปเป็นคนช่างคิดนะไม่มีสมาธิพอมีสมาธิเล็กน้อยตรงที่จิตตั้งขึ้นได้เป็นขณะขณะมีตัวรู้เกิดเป็นขณะขณะ เรียกว่ามีสมาธิระดับคณิกะสมาธนะิไม่ถึงอุปจาระไม่ถึงอัปปนาได้มีสมาธิชนิดชั่วคราวแวบเดียวก็ไหลอีกรู้สึกทันก็ตั้งขึ้นอีกแวบหนึ่งแล้วไหลอีกเนี่ยรู้อย่างนี้คณิกะสมาธินี่แหละสำคัญมากพระอราหันต์ส่วนใหญ่มาด้วยคณิกะสมาธินะคนที่มาด้วยฌานนะสมัยพุทธกาลได้มี 36% เอซนงะที่เหลือก็มาอย่างพวกเรานี้แหละ เขาฌานไม่ได้อาศัยสมาธิชั่วขณะสมาธิชั่วขณะแล้วดูอะไรดูจิตไปถ้าดูกายดูกายเนี่ยสมาธิชั่วขณะเนี่ยแรงไม่พอจิตมันจะถลําลงไปในกายอย่างพอสมาธิเรามีชั่วแวบเดียวพอเราไปดูลมหายใจขึ้นมาอีกนะจิตก็ไปอยู่กับลมอีกแล้วไปดูท้องฟองยุบจิตก็ไหลไปอยู่ที่ท้องอีกแล้วจิตมันไม่ถอนตัวเป็นคนดูออกมา ต้องฝึกจนจนทั้งมันชํานาญนะแลขันมันแยกก็เห็นร่างกายเป็นเคลื่อนไหวใจแยกอันนี้เหมือนกันละเหมือนกันนกบพวกทรงฌานนะขั้นแรกๆอย่างทําไม่ได้ใจมันอยู่ได้แว บ, บเดียวพอจงใจไปดูกายปุ๊บจิตไหลไปในกายเลยให้ดูจิตเอาการดูจิตนั้นเหมาะกับคนซึ่งไม่ได้เข้าฌานถ้าเข้าฌานแล้วมาดูจิตได้ไหมดูจิตได้แต่จะไม่เกิดปัญญา พอเข้าฌานนะพอออกจากฌานมาจิตจะว่างจะนิ่งปัญญาอยู่ตรงไหนไม่มีมีแต่ว่างใช้ไม่ได้เพราะงั้นพวกดูจิตเนี่ยนะเป็นมิปัสสนาญาณิกไม่ได้ทำฌานก่อนใช้จิตของคนธรรมดาจิตของเราขนาดนี้แหละดีที่สุดลวขนาดนี้มีความสุขหรือมีความทุกข์ไหม ใครมีความสุขยกมือซิใครมีความทุกข์ยกมือซิใครเฉยๆยกมือซิใครไม่มีความรู้สึกยกมือซิถ้า ย, ยกมือสแสดงว่าดูไม่เป็นเลยจิตทุกดวงนะจะต้องประกอบด้วยเวทนาเสมอไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆต้องมีเพราะฉะสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วไม่ใช่ของวิเศษอะไรขณะนี้มีความสุขรู้ว่ามีความสุขไปขณะนี้มีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์ไปนะ ขณะนี้เฉยๆรู้ว่าใจเฉยๆไม่สุขไม่ทุกขนะ์ขณะนี้จิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลใครจิตเป็นกุศลยกมือซิใครจิตเป็นอกุศลยกมือซิอย่าคนเดิมนะมันเกิดพร้อมกันไม่ได้เอาพวกอกุศลยกมือซิอกุศลในอกุศลเนี่ยคนไหนโลภยกมือซิคนไหนโกรธคนไหนหลงเออใช้ได้หลงเยอะใช้ได้ โกรธโดยไม่หลงได้ไหมไม่ได้ในขณะที่โกรธต้องหลงด้วยในขณะที่โลภก็ต้องหลงด้วยในขณะที่โลภโกรธ ด, ด้วยได้ไหมไม่ได้โลภกับโกรธไม่เกิดด้วยกันเพราะอะไรโลภเนี่ยเป็นดึงอารมณ์เข้ามาโกรธเนี่ยผลักอารมณ์ออกไปทั้งดึงทั้งผลักพร้อมๆกันทําไม่ได้นะแต่มันต้องหลงใจของเรานะถ้าไม่เป็นกุศลก็อักกุศลถ้าเป็นกุศลก็รู้ทัน นะเช่นอยากภาวนานะหรือเกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็รู้ว่ากําลังมีศรัทธาอยู่เราก็จะเห็นว่าศรัทธาอยู่ช่วคราวแล้วก็หายไปนะตอนแรกก็ศรัทธานะเราก็ไปนั่งสมาธิเดินจงกรมวันนี้แหลนะจะปฏิบัติเป็นพุทธบูชานะสมมุติอย่างเป็นเมื่อวานปฏิบัติเป็นพะุทธบูชาวันวันเมื่อวันพุธก็แล้วกันนะแล้วนั่งสมาธินะี่มีศรัทธามากเลยนึกขึ้นได้วันนี้วันเพ็ เพนพุทธด้วยต้องใส่ใส่บาทพระอุปคุตก่อนเกิด <c oughs> โลภะขึ้นมาลืมพระพุทธเจ้าแล้วมีคิดถึงพระอุปคุตแทน <c oughs> คิดถึงก็คิดถึงในทางโลภอีกอยากจะไปขอพรอยากขอนนทนขอนี่นะเนี่ยใจที่เป็นกุศลใช่ไหยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายเหมือนกันกลายเป็นอกุศลได้แล้วภาวนาทำไงทำให้เป็นกุศลตลอดไหมไม่ต้องจิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้นะ จิตสุขจิตทุ ก, ก็รู้รู้ไปเรื่อยๆสุขทุกมีอยู่ตอลอดเวลาจิตที่เป็นกุศลเป็นอกุศลก็ผลัดกันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลดูไปนะคนไหนขี้มโมโหในห้องนี้ค น, นคนไหนขี้โลภยกมือสิคนไหนขี้โมโหนะก็ใช้โมโหใช้ความโกรธเนี่ยเป็นอารมณ์กรรมาฐาน โกรธขึ้นมาเรารู้กลรธขึ้นมาเรารู้คนไหนขี้ลบก็ดูไปอยากขึ้นมาก็รู้อยากขึ้นมาก็รู้นะคนไหนฟุง้งซ่านเก่งนะฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านก็ต้องช่วยมันหน่อยหายใจไปหน่อยหรือพุทโธไปก็ได้แล้วใจไหลแล้วรู้นะแล้วพอฟุง้งซ่านไปถ้าไหลแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไหล amigos, labs, compris, แล้วไม่รู้นะก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลแล้วค่อยไปรู้เอาตอนนั้นก็ได้นะเนี่ยค่อยๆหัดนะเป็นธรรมชาติมากเลย งั้นเลี้ยงลูกก็ทำกรรมฐานได้นะบางคนบอกว่าลำบากลูกมันกวนเอาผลิตออกมาเองบางคนไม่มีลูกก็พยายามไปหาหมอให้มีลูกอะไรนี่นะมีลูกแล้วจะมาบ่นอะไรเลี้ยงลูกก็ภาวนาได้ไม่ใช่ว่าต้องเอาลูกไปฝากโรงเลี้ยงเด็กก่อนแล้วแม่มานั่งภาวนานะไม่จำเป็นป้อนข้าวใครเคยป้อนข้าวลูกบ้างพวกมีลูกยังไงก็ต้องเคยบ้างแหละนะ เคยมีไหมวันหนึ่งมันป้อนมันก็กินหมดเลยนะกินตุ้ยๆเลยรู้สึกน่ารักใช่ไหมน่ารักรู้ว่ารักเนี่ยแค่นี้เองทํากรรมฐานวันหนึ่งป้อนไปแล้วมันเอาไปอมเด็กมันเคยอมข้าวให้ดูไหมไม่ยอมเคี้ยว่มันอมอยู่งั้นอนะ่ะอุ้ยเราก็จะรีบไปทํางานนะงานต้องเยอะแยะเลยพ่อบ้านเราก็หวยแตกหนีไปไหนเราก็ไม่รู้นะงานเต็มบ้านต้องทำอะไรเงี้ยลูกก็อมข้าวอยู่นะไม่กลืนสติเมื่ อ, อไหร่จะหมดถ้วยเออะโมโห โมโหรั่วโมโหโลูกทําบ้านเลอะโมโหรั่วโมโหวันนี้ลูกเรียบร้อยนะเรียบร้อยพอประมาณเรียบร้อยมาห้านาทีแล้วปื้มรว่าปลื้มมันเรียบร้อยมาชั่วโมงกว่าแล้วมันนิ่งนิ่งมันป่วยหรือเปล่าไอค้คนนี้ไม่เคยนิ่งถึงห้านาทีเลยวันนี้มันอยู่มาครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ก็ดูกระดิกนะกังวลอีกแล้วกังวลรั่วกังวล น, นี่แหละกรรมาฐานล่ะ เห็นไหมใจเราเปลี่ยนตลอดเวลาแค่เลี้ยงลูกก็ทำกรรมฐานได้นะแต่ไม่ต้องเอาสามีพัรยาทำกรรมฐานนะไม่เหมาะไม่เหมาะเอาลูกดีกว่าสามีพัรยาทำกรรมฐานเดี๋ยวโมโหดูไปดูไปมันมีแต่ความน่าเกลียดอย่างอย่าไปดูภรรยาเป็นปฏิกูนาสุพะนะ <laughs> ถ้าดูให้ดูตัวเอง <laughs> ดูแลเดี๋ยวโอ้ไม่ไหวแล้วคนนี้ใช้ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยน มีปัญหามากแต่ลูกเนี่ยเอาไปทิ้งไม่ได้ใช่ไหมต้องเลี้ยงดูมันไปมันน่ารักก็รู้มันน้าโมโหก็รู้เห็นใจของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนี่แหละทำกรรมฐานเหมาะกับกรรมฐานยุคนี้มากเลยคือดูจิต ด, ดูใจของตัวเองไปแล้ววันหนึ่งจะเห็นนะความรู้สึกรักลูกเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไปเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ อละนี้ห้ามเด็กได้ยินนะคนที่มีลูกแต่หลายคนนะรักลูกไม่เท่ากันหรอกนะอันนี้ห้ามห้ามเด็กได้ยินนะ <c oughs> เสียทางจิตวิทยาถ <c oughs> ้งเด็กได้ยินก็จงลืม <c oughs> จงลืมจงลืมให้หมดเ <c oughs> นี่ยเราดูของเราไปนะถ้าเราไม่ดูเวลาลูกทำอะไรไม่ถูกใจเราโมโ oh. หเราก็เล่นงานเด็ก เกินความจำเป็นหรือบางคนเครียดจากที่อื่นนะมาระบายใส่เด็กนะเด็กนี่น่าสงสารมากเลยแสดงว่าอากุศลกำลังให้ผลถึงมีพ่อแม่แบบนี้นะลำบากนี่เรา่อยดูของเราไว้นะเราจะได้ไม่เป็นรังแก่เด็กนะแล้วเราก็ไม่สปอยมากไปนะสอนเด็กให้สปอยเกินไปโอ้มากไปเป็นเด็กเหมือนคนพิการเลยคนไทยนี้เลี้ยงลูกแย่มากนะ พวกเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันยิ่งอย่าเอาอุปกรณ์ไอทีให้ลูกเล่นนะแทนการเลี้ยงดูลูกนะแทนไม่ได้นะอันตรายมากเลยบางคนมักง่ายนะเอาแท็บเล็ตให้ลูกเล่นตัวเองก็ว่างๆแล้วว่างๆจะได้ดูละครน้ำเน่าอนะไรเงี้เสียเวลาเด็กหลงกับของพวกนี้นะสุขภา พ, าพจิตไม่ดีหรอก ความสัมพันธ์ในบ้านก็จะเสียความสัมพันธ์ในบ้านสําคัญมากนะงั้นแต่ละวันแทนที่จะต่างคนต่างเล่นน้นเล่นนี่แม่ก็กดลูกก็กดนะก็คนละอย่างนะหันมาคุยกันบ้างอย่าให้ในบ้านเนี้ยเกิดความอะไรเหงาบ้านต้องอบอุ่นต้องรักษาตัวนี้ให้ดีนะสุขภาพจิตลูกเราดีอีกหน่อยเราสบาย สุภาพจิตลูกเราแย่อีกหน่อยเราก็าแย่แลเราลําบากแน่มก่อเรื่องก่อราวก้าวร้าวรุนแรงอะไรเงี้ยเล่นเกมเมื่อก่อนมีนะเกมฆ่ากันทั้งนั้นเลยเคยชะงอกไปดูมันเล่นอะไรยิงกันระเนระนาดงั้นเลี้ยงลูกนี่แหละทํากรรมฐานนี่กรรมฐานของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะไปฝึกเอานะทําได้หมดแหละศีลก็ทําได้สมาธิก็ทําได้ใจไหลเรารู้ปัญญาก็ทําได้ ศีลเป็นไงโมโหลูกอยากตีเต็มทีแล้วรู้ทันไปไม่ไปตีลูกตีลูกบาปไมมบาปถ้าตีด้วยโทสะบาปทันทีเลยถ้าตีเพื่อสั่งสอนไม่บาปเป็นกุศลอ้าวต่อไปใครจะส่งกันบ้านว่ามาก็เวลาดูบางทีมันจะแบบบังคับอยู่ข้างในค่ะคือคือรู้ว่าบังคับอยู่แต่มันก็ยัง เราฝึกใจไปอย่างนี้แหละนะมีสติมีสมาธิไปเห็นรูปเห็นนามทํางานนะมันจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆพอเราเข้มแข็งขึ้นเนี่ยต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเรานะเราอยู่ได้เราทนได้ไม่หวั่นไหวนะอย่างแม่เราแก่แล้วแม่ตายไปอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องธรรมดาใจไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะมันจะอยู่สบายมันจะเห็นโลกอย่างที่โลกมันเป็นคนที่ไร้เดียงสานะีก็จะเพ้อฝันไปอย่า อยู่กับใครที่เรารักก็ต้องอยู่น่รันดร์นี่เพื่อฝันไม่มีหรอกที่อยู่น่รันดรนทุกอย่างในชีวิตนี้ชั่วคราวไปหมดเลยนี่พอเราเห็นตรงนี้มากๆมันจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อๆนะจะไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราสบายมีความสุขอยู่ได้ไปฝึกเอานมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อให้ไปดูใจที่เผลอไปคิดก็ยมก็ไปดูเ็มเห็นไหมเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง ใช้ได้เห็นบ้างไม่เห็นบ้างใช่ได้ก็มีตอนที่เห็นแล้วมันไปเห็นว่ามันยังอยากจะคิดต่ออยากรู้ว่าอยากคะ่ะห้ามไม่ได้ไม่ใช่ห้ามคิดนะหลวงพ่อ <c oughs> บอกแล้วคิดได้นะแต่คิดไปแล้วเกิดสุข <c oughs> เกิดทุกข์ <c oughs> เกิดกุศลอกุศลรู้เอาเหมือนจะเป็นคนชอบคิดนะคะมันจำมันมันเราอย่าเป็นมันกับมันให้รู้ทันคิดเมื่อจาเป็นต้องคิดแต่ไม่ห้าม มันสการหลวงพ่อค่ะก็เห็นความฟุงซ่านบ่อยค่ะแล้วก็กลัวบ่อยๆด้วยค่ะกลัวอะไรล่ะกลัวพอดีมานอนกุดก็กลัวสิ่งแวดล้อมกลัวสิ่งแวดล้อม <laughs> สิ่งแวดล้อมที่เนี่ยดีกว่ากรุงเทพเยอะเลย <laughs> ออกซิเจนก็เยอะนะนอนแป๊บเดียวก็อิ่มแล้วแล้วก็มีอีกปัญหาหนึ่งคือบางทีชอบไปดู ใจคนอื่นหรื อ, อ, อว่าเออนี่ไม่ดีเลยให้ดูของเราเองแก้ไขโดยการมาดูของตัวเองใจอยากรู้ว่าคนอื่นเขาเป็นไงรู้ว่าอยากดูตัวนี้นะอย่าไปดูของคนอื่นก่อนถ้าเริ่มต้นกรรมาฐานด้วยการไปดูคนอื่นแล้วต่อไปจะดูตัวเองไม่ได้อันตรายมากเลยที่สุรินทร์นะเมื่อก่อนมีเนนคนหนึ่งฉลาดปราดเปรื่องมากเลยจนกระทั่งพระตั้งฉายาว่าเนนสังกรัรธ รู้ทุกเรื่องเลยรู้ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองรู้หมด <c oughs> <c oughs> เนเนี่ยนะจิตไวัยมากเลยพระทางวัดเนี่ยกลางคืนพระองค์ไหนภาวนาไม่ภาวนานี่เนเนรู้หมดเลยนะใครภราวนาถูกภาวนาผิดเนเนรู้หมดเลยหลวงปู่ห้ามอย่าดูคนอื่นให้ดูของตัวเองไม่เชื่อเวลาหลวงปู่ไม่อยู่เนี่ยเที่าดูคนโน้นคนนี้ไปด้วยสุดท้ายจิตชินที่จะดูพอหลวงปู่สิ้นไปแล้วไม่มีใครคุมเนีลย สุดท้ายก็เพียนไปวันหนึ่งนะอยู่ที่วัดดีๆเลยมองไปที่ต้นไม้เห็นลิงไปดูจิตลิงแล้วความรู้สึกของลิงก็เข้ามาครอบงําใจเนรเนี้ยโดดขึ้นต้นไม้เลยไปไปลิงอยู่บนต้นไม้วักแว๊กวักแว๊กเชยดเช็ชอยู่ข้างบนนะมองลงมาที่ท้องนาเห็นกไอยไปดูจิตกไอยอีกแล้วความรู้สึกของกไอยก็เข้ามาที่ตัวเอง คิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนเนี้ควายกําลังอยู่บนต้นไม้ <laughs> <laughs> มันอันตรายมากเลย <laughs> สุดท้ายบ้าบ้าไปเข้าโรงพยาบาลบ้าพอหายแล้วนะมาปวดอีกพอเริ่มภาวนาก็ไปดูคนอื่นอีกก็เป็นอีกนะเป็นอย่างนี้หลายทีสุดท้ายผูกคอตายแทนที่จะได้ดีใช่ไหมเสียเลยอย่าไปดูคนอื่นนะบางทีก็เป็นมีอาการเป็น สุขเป็นทุกข์กับสิ่งที่เรารับรู้เข้ามาต้องไม่ให้ความรู้สึกใดๆครอบงําจิตได้กระทั่งความรู้สึกที่ดีก็ต้องไม่ให้ครอบงำนะเช่นเราฟังธรรมะจิตเกิดปีติมีปีติในธรรมะเป็นเรื่องดีพอนะมีปีติในธรรมะขึ้นมาอย่าให้มันครอบใจแล้วครอบใจเคลิ้มแบบนี้ใช้ไม่ได้นะอย่าให้ความรู้สึกนานาชนิดครอบใจได้ต้องเข้มแข็งไว้ ไม่งั้นจะโดนครอบต่อไปไปเห็นกวายกวายจะครอบเอานะออันตรายค่ะการนักสการหลวงพ่อค่ะคือเท่าที่โยมเรียนหลวงพ่อว่าโยมเข่าไม่ดีและหลวงพ่อก็ให้ทํามือแทนการเดินจงกรมค่ะทีนี้โยมก็จะถามเรียนถามหลวงพ่อว่าในการที่โยมขยับมือแทนเดินจงกรมเนี่ยต้องทําเวลาเท่ากับ เรานั่งสมาธิไหมคะเรานั่งอยู่เมื่อไหรนะถ้าเราไม่ได้เข้าฌานเข้าอะไรแล้วก็ขยับไปรู้สึกไปในขณะไปขยับไปรู้สึกไปเนะี่ยบางครั้งจิตก็ไปสงบนิ่งอยู่เฉยเฉยเห็นขยับอยู่เฉยเฉยจิตนิ่งนอันนี้จิตพลิกไปเป็นสมถะบางครั้งจิตก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตอยู่ต่างหากเป็นคนดูร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเลยอันนี้จิตเดินตัญญามันจะสลับไปสลับมานะทำได้ทั้งวันไม่ใช่ว่าทําเท่านี้ชั่วโมงชั่วโมง ค่แล้วทำสองมือสองข้างพร้อมกันหรือทําทีละหนึ่งข้างคะ่ะและแต่สะดวกนะเมื่อยก็ทํำมันข้างเดียวข้างนี้เมื่อยทําข้างนี้ <c oughs> ถ้าใจฟุ้งซ่านมากก็ทำอสองมือสองมือแล้วก็รู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกได้สมถ tha เนี่ยนะทำหน้าให้ดูเห็น ไ, ได้สมรถร tha พอเคลื่อนไหวได้ที่แล้วทำใจสบายล้มกระดาน เอาใหม่เห็นร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่เราแล้วค่ะโยมหลวงพ่อไม่แค่ขยับมือนะบางทีแค่ขยับเท้ามีอยู่คราวนะตอนนั้นบวชในพรรษาที่สามกลางวันก็สอนโยมเนี่ยตอนเช้าโยนก็มาเต็มวัดสอนเสร็จแล้วก็เนื่อย ห, หน่วยนะโยมไปแล้วสุขโขวิเบโกนะ ความวิเวกมีความสุขยังหมดเรี่ยวหมดแรงนะไปนอนหลับไปตื่นหนึ่งตื่นขึ้นมายังไม่หายเหนื่อยดีเลยโอ้ได้เวลาเดินจงกรมล้วนะนะยังไม่หายเหนื่อยขยับขาก่อนตัวยังไม่ลุกเลยนะเห็นร่างกายมันขยับไม่ได้เจตนาอยู่ๆจิตมันสลัดร่างกายเปรี้ยงเลยนะในความรู้สึกนะมันไม่ได้กระเด็นจริง รู้สึกเหมือนร่างกายเนี้ยทะลุฝากุติกระเด็นหายไปเลยนั่นนอนขยับนะนอนขยับขาข้างเดียวด้วยขยับสองข้ามเวอร์ไปนั่นหัวสานหัวครอนสองมื อ, อยังขยับได้ขยับสองขาเนี้ยโอ้มากไปอะไรก็ได้นี่บางคนบอกว่าทำอย่างนี้ดูไม่เคารพพระพระไม่ถือขอให้มีสติ ถ้าขาดสตินะเดินจงกรมให้สวยพระก็ไม่ยกยนะ่องอยู่ที่ใจนะค่ะนำ้ำมาศการหลวงพ่อครับผมเพิ่งส่งการบ้านเป็นครั้งแรกครับก็ปัจจุบันก็รู้สึกตัวดีขึ้นครับอยากจะขอคำเมตตาจากหลวงพอ่อรู้สึกไหมมันเหมือนเราเกิดใหม่ะนะก็รู้สึกครับมอนแต่เดิมเราอยู่ในโลกของความฝัน ร, รู้สึกตัวมันเหมือนเราตื่นขึ้ น, นมา มีชีวิตใหม่เพราะเราตื่นได้อย่างนี้นะต่อไปเราก็ดูดูกายดูใจมันทํางานเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆก็ก็ขอขมาหลวงพ่อครับแล้วก็ขอขอถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาอารยบูชาและหลวงพ่อความมุ่ดครับอสาธุดีแล้วล่ะภาวนาภาวนาเป็นนะจะเป็นพยานให้หลวงพ่อได้นะ เมื่อก่อนบางคนมาบอกพิธีของหลวงพ่อใช้ไม่ได้เราลองไปเองอทําไมมันจะใช้ไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ว่าใช้ได้เนี่ยเราพอนนาเป็นนะมันเหมือนมีชีวิตใหม่เงินดีขึ้นเป็นลำดับนะอย่างใจเราไม่เคยตื่นมันตื่นขึ้นมานี่อัศาจรรย์มากเลยขันไม่เคยแยกก็แยกได้นี่ยิ่งแปลกหนักเขึ้นไปอีกร่างกายกับใจมันแยกออกจากกันได้แต่มันไม่ได้แยกแบบถอดออกจากล่างนะแยกแต่ความรู้สึก แล้วแต่และขันนั้นสแสดงใจรักได้แปลกหนักเขาอีกนี่เราได้เห็นของแปลกมาหลายอย่างแล้วถัดจากนี้เหลืออีกนิดเดียวเองคือจิตมันวางขันได้เนี่แปลกน่นนอาอัศจรรย์เอาตัวที่จิตวางขันแล้วนี่ผ่านจะปรากฏขึ้ น, นครับกราบนัสการครับหลวงพ่อ เ, อ, อเมื่อคราวที่แล้วส่งกันบ้านกับหลวงพ่อที่โรงเรียนสตรีที่ภูกเก็ตครับคราวนี้ก็เลยหลวงพ่อให้ไปภาวนาต่อ พอภาวนาช่วงแรกๆจะมีความสุขพอภาวนาไปสักพักจะเอห็นแต่ทุกตัวทุกทั้งนั้นเลยฮะแล้วพอสักพักก็จะเห็นก้อนก้อนก้อนหนึ่งก้อนทุกอยู่ที่หน้าอกเนออยู่กลางอกนะมันลนไวไวด้นะครับสักพักมันก็จะคลายอซึ่งสภาวะเอมาถึงตอนนี้ผมไม่แน่ใจเป็นสภาวะปกติหรือเปล่าที่เป็นอยู่นะปกติภาว น, นาเป็นนะไม่มาตรงนี้แหละ หลวงตมามหาบุอยเคยพูดเลยว่าใครภาวนาจนเห็นจิตมันหมุนอยู่ตรงนี้นะหวยิบยัยิบยับทานไล่เข้าป่าเลยถ้าเป็นพระนะให้ไปภาวนาให้แตกหักเลยนี่ก็เราภาวนาขงเรามาถูกแล้วละ่ะครับต้องทําต่อใช่ไหมครับหลวงพ่อทำต่อนะแต่ตรงที่เราเห็นไหวยิบยับขึ้นมาต่อไปจะเห็นแต่ถูกข์ล้วนๆเลยนะใช่ครับพอใจมันแห้งผากหมดเรียเร่ยวหมดแรงเนี่ยทําสมถะที่ภ<ม>าคเหลืออันเดียวคือสมถะ ทำอะไรไม่ได้ก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆวางตัวนี้เดี๋ยวไปดูมันก่อนสวดมนต์ไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆก็ได้หน้โมตัสสะไปเรื่อยๆแผ่เมตตาไปใจเราเย็นใจเราสบายกลับมาดูต่อต้องทำในรูปแบบเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับคือทำแบบไม่หวังผล น, นะทำได้น่ะดีทำในรูปแบบแต่ถ้าทำแล้วโลภไม่ได้ประโยชน์เครียดต้องไม่เครียดนะครับ ขอบพระคุณหลวงพ่อครับนรัตรการหลวงพ่อครับผมเคยมาอยู่วัดเมื่อห้าหกปีที่แล้วหลวงพ่อเรียกผมว่ายมชัยภูมิผมอยู่ชัยภูมิบ้านหลวงพ่อคำเฉียนครับโอ้ดีหลวงพ่อให้การบ้านให้ไปฝึกสติดูกิจที่เคลื่อนไหวไปมาในรูปแบบผม สวดมนต์ไหวพ้พระตอนเช้าและตอนเย็นมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ว่านั่งสมาธิทำได้น้อยเพราะมักจะเพิ่มอืส่วนในชีวิตประจําวันก็จะดูร่างกายที่เคลื่อนไหวดูลมที่หายใจอืกายกับใจมันโค่นล้านกันเห็นไหมอันนี้เห็นเป็นบางครั้งครับก็ถูกต้องแนละ้วเห็นตลอดต้องอนาคามันไม่กลับมายึดกาอีกเนนี้ ใ, ใจก็ไปจับบ้างแยกออกมาบ้าง เห็นมันกายกับใจมันคนละอันกันเห็นสุขทุกข์ดีชั่วแยกออกไปเห็นขันแต่ละขันมันทำงานของมันเองนี่แหละเดินปัญญาอยู่เธอมันฟุ้งซ่านก็ทำความสงบใหม่มีแรงก็มาดูต่อขอบคุณครับน้ำมัสการค่ะหลวงพ่อว่าไงคือสามเดือนที่แล้วหลวงพ่อให้หนูไปทำกันบ้านแล้วมาส่งอืมดังไง ก็ไปทำมาก็คือสวสดอิติปิโสแล้วเห็นใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไหมเอ๋อเห็นค่ะเออนะ่าเห็นได้ตัว น, นั้นอะดีเห็นไหมมันเปลี่ยนเองใช่ค่ะมันเกิดขึ้นตลอดเวลามีแต่กิเลส เ, เห็นไหมว่าไม่มีอะไรบังคับได้ค่ะทุกอย่างชั่วคราวนะเนี่ยฝึกไปจนใจมันยอมรับตอนนี้ใจยังไม่ยอม ใจจะเอาดีใชจไม่มันไม่ชอบกิเลสอะไรเงี้ยให้รู้ทันไปแต่แปมจะเป็นกลางกับสภาวะทั้งหลายทั้งปวงสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนั้นเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตร ล, ลักษณ์เห็นไหมทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปด้วยอย่างนี้แหละดีหลวงพ่อจะให้ไปทําอะไรต่อคะทํานี้อย่างเนี้ยทําที่ทําอยู่นี้ทําถูกแล้วขอบคุณค่ะ หนูรู้สึกว่าก็เห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็ดับที่ใจค่ะแล้วก็เหมือนเห็นบางทีเห็นความคิดมันเป็นไหวๆเป็นคลื่นความคิดนะคะรู้ซื่อไปแต่ไม่แน่ใจว่าเพ่งไปหรือเปล่าคะดูตัวเองง่ายๆเลยถ้าเพ่งเมื่อไหร่ก็แน่นอึดอัดนะถ้าไม่ได้เพ่งก็สบายๆบางทีก็เพ่งบางทีก็ไม่เพ่งเป็นเรื่องปกติใช่ะเป็นเรื่องปกติก็ให้ดูไปเรื่อยๆรู้ทันกิเลสไป กิเลสตัวไหนซ่อนอยู่ก็รู้ทันมันค่อยๆรู้ไปค่ะ ข, ขอบคุณค่ะกล่าวธมรมะการหลวงพ่อครับอ่าส่งกันบ้านในรอบสี่เดือนครับหลวงพ่อให้ไปดูกายทํางานใจทํางานเหมือนดูคนอื่นนะครับอหลวงเราแยกขันได้เห็นขันแสดงใจรักได้นะถ้าบารมีเราพอนะบางคนใช้เวลาไม่นานก็เข้าถึงธรรมะ บางคนอยากได้พุทธภูมิหนึ่งมันก็ไม่เข้านะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ได้ผลเร็วบางคนก็ได้ผลช้าอยู่ที่อินทรีย์อินทรีย์เราสะสมมาแก่กล้าแลไวก็ได้ผลเร็วทำถูกแล้วแป๊บเดียวก็ได้แล้วถ้าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าทำถูกแล้วต้องใช้เวลาอีกนะบางคนก็ภาวนาสบายบางคนก็ภาวนาลำบากพวกภาวนาสบายเนี่ยพวกกิเลสเบาบาง พวกภาวนาลำบากเลยกิเลสมันแรงเ้างสู้มากเหนื่อยเพราะฉนั้นะแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนก็ปฏิบัติง่ายได้ผลเร็วปฏิบัติง่ายได้ผลช้าปฏิบัติยากได้ผลเร็วก็มีปฏิบัติยากได้ผลช้าก็มีพวกนี้น่าสงสารที่สุดเลยคือกิเลสเขาแรงอินทรีย์เขาอ่อนแต่ก็ยังได้ผลนะต้องปฏิบัติเอาไปทำเอานะเราไม่ใจร้อนนะอย่าอยากได้เร็วนะอยากได้เร็วแล้วมันไม่ได้ เราปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าไปทุกวันทุกวันเราภาวนาของเราชีวิตเราก็ดีขึ้นตั้งเยอะแล้วไม่เห็นจะต้องไปอยากได้อะไรมาผลเป็นผลปล่อยได้เท่านั้นแหละเราปลูกต้นไม้ไมเราก็ดูแลต้นไม้รดน้ำพลวดดินใส่ปุ๋ยของเราไปถึงเวลาเขาก็ออกดอกออกผลเองเราไปอยากให้ออกเร็วเรวนะไปใส่ปุ๋ยเร่งนุ่นเร่งนี่เดี๋ยวต้นไม้ก็ตาย นำ้ำมาการหลวงพ่อค่ะหนูมาจากเชียงใหม่ค่ะหลวงพ่ อ, อไม่เคยส่งกันบ้านหลวงพ่อเลยแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณเจปี<อ>ค่ะก็มีผลการปฏิบัติมาถวายหลวงพ่อค่ะ<อ>ว่าหนูเคย เ, เหมือนรู้สึกว่าตัวเองน่าจะเคยเห็นมือตัวเองเป็นท่อนๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคยเคยเห็นความไปความเจ้าความคิดครอบ เจ้าวความเห็นของตัวเองอะค่ะออไม <ป S 2> <ด>้เห็น<ด>เห็นแล้วมันก็ดับ <c oughs> มันมันอธิบายไม่ถูกแต่มันคือสิ่งที่ฟังในซีดีหลวงพ่อใช่ค่ะหนูก็จิจจเรศตัวอื่นก็เหมือนกันนะเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันกูศลเกิดแล้วก็ดับทุกข์ก็เกิดแล้วก็ดับแบบเดียวกันนี้แหละมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปสังเกตไหมว่าใจิตใจเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนค่ะดีคําสอนของพระเจ้านะ มันเหมือนมนต์เปลี่ยนใจทําให้ใจเราเปลี่ยนในเวลาไม่นานเท่าไรหร่หรอกส่วนในเรื่องของการทําสมาธิเนี่ยเป็นคนที่ทําสมาธิทําในรูปแบบตอนเช้าทุกวันนะคะหลวงพ่อแต่ว่ารู้สึกมันไม่เป็นสมาธิใ จ, ใจเราฟุ้งเก่งใจเราฟุ้งเก่งแนละเราก็ดูจิตดูใจไปอย่างนี้นถูกแล้ว <c oughs> แต่จะสงบไม่สงบถึงเวลาเราก็ทําในรูปแบบนะนี่จะทําให้เรามีวินยัยทําให้จิตใจเข้มแข็ง การทำในรูปแบบเนี่ยถึงทำทุกวันโดยที่ไม่ได้สมาธิเลยเข้าฌานไม่เป็นก็ไม่เป็นไรทำไปนานๆ น, นะใจจะเข้มแข็งนะพลังของจิตมันจะเพิ่มขึ้ น, นจะเป็นคนจริงขึ้นมาไม่ใช่คนโ ล, โลเล อ, อดทนไปว่าไงผมก็พยายามปฏิบัติในชีวิตประจำวันเท่าที่ทำได้นะครับ <c oughs> ก็ช่วงนี้รู้สึกว่า พอตาเห็นรูปหรือได้ยินเสียงหรือมีความคิดเกิดขึ้นที่ใจอะ่ะก็จะเห็นกิเลสราคะโทสะมานาตาเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันทีอ<ะ>ืแล้วตอนนี้มันรู้สึกเหมือนกับ ว, ว่ามันจนอยู่ในตรอกมันทําอะไรไม่ได้นอกจากเห็นแล้วก็ทุกข์เห็นแล้วก็ทุกข์มันไม่รู้จัดยังไงต่อให้รู้ทันนะรู้ทันเข้ามาที่จิตเวลาที่เราเห็นสภาวะทั้งหลายแล้วเนี่ยถ้าจิตดีดีให้รู้ทันจิตดนร้ายให้รู้ทันเข้ามาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะ ตอนจิตมันยินได้กับสภาวะก็ให้รู้ทันไปมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วก็เห็นสภาวะด้วยความเป็นกลางนะครับผมกต็ตั้งใจจะเข้มงวดกับตัวเองแล้วปฏิบัติเข้มงวดเ <มา S 1> ยอะไปไม่ดีนะเอาเข้มพอดีพอดีเข้มมากไปเครียดครกนะ็ผมขอเข้ามาที่ได้ร่วงเกินไปแล้วขอถวายการปฏิบัติด้วยครับาสาธุดีขอเข้ามาก็ดีนะถวายการปฏิบัติยิ่งชอบใหญ่นะเอาเชิญกลับบ้าน